เอาสมบัติที่เป็นของตระกูลจะได้ให้ทานต่อไปนั้นความภาคเพียรของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่มากเรียกว่าวิริยะบารมีนะภาคเพียรที่จะให้ทานภาคเพียรที่จะรักษาศีลเจริญกุศลธรรมต่า ง, างๆภาคเพียรจริงๆวิริยะนี่แปลว่ากล้านะพระองค์กล้าทำจริงๆเลยถ้าคนทั่วทั่วไปนี่ใจอ่อนแอยากที่จะทาได้ ส่วนบารมีต่อไปคือขันติบารมีอย่างยกตัวอย่างในขันติวาทีชาดกผู้กล่าวยกย่องสรรเสริญขันติคืออโทสะคือความไม่โกรธเนี่ยนะขันติบารมีของพระโพ ธ, ธิสัตว์ผู้อดกลั้นกองทุกใหญ่หรือว่ามหาทุกขเนี่ยนะกองทุกใหญ่เหมือนกับคนไม่มีจิตมีใจเลยที่กล่าวอย่างนี้ว่าอาเจตนาวะโกรตเตนเตตินเฮ เ, น ะ, น, เนะ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 จะช่วยคิดว่าเหมือนว่าจะหยิบหยิบมรดผลนิพพานให้เขาแต่ว่าต้องคนที่ให้คนที่จะได้รับเนี่ยต้องด่าคนให้ก่อนอย่างงนะแต่ถ้าเราถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยก็โอ้ไม่ต้องเอากันแล้วแต่ว่าพระองค์นี่มีความอดทนเนี่ยนะอดทนด้วยใจที่กรุณาประสงค์ที่จะปลดเปลื่องเขาให้พ้นจากความทุกข์โกรธมีเมตตาที่จะน้อมนําประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่เขาส่วนต่อไปสัจจะบารมี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 เพราะว่าถ้าหาว่าพระองค์ไม่ไม่รักษาสัตวจะพระองค์ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตกษัตริย์หนึ่งองค์ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตโปรยศาสตรให้เลิกเลิกกินเนื้อมนุษย์ไปได้เนี่ยนะอันการที่พระองค์รักษาสัตวจะวาจาช่วยให้กษัตริย์หนึ่งองค์เนี่ยนะหนึ่งรองค์รอดชีวิตช่วยให้จอมโจรกินมนุษย์เนี่ยจอมโจรกินมนุษย์หายกลายเป็นคนดีเป็นคนมีศีลไปได้เนี่ยนะเพราะพระองค์นั้น เคยเกื้อกูลพระองค์ุลิมานไม่ใช่แต่ในปัจจุบันแม้ในอดีตชาติก็เคยเกื้อกูลนั้นด้วยอํานาจของสัตว์จะบารมีทําให้พระองค์นั้นช่วยเหลือพระพระองค์ุลิมานแม้แต่ในอดีตชาติช่วยเหลือชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนี่ยนะคือกษัตริย์101องค์เนี่ยเตรียมจะถูกฆ่าประหารบูชายันอยู่แล้วพระองค์ก็อาศัยสัตว์จะวาจาของพระองค์เนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูล กษัตริย์เหล่านั้นให้พ้นจากทุกข์นะนะยอมสละชีวิตของพระองค์ด้วยแต่ว่าด้วยบุญบุญแลหรือทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมความที่พระองค์ประพฤติรมนั้นพระองค์ก็ไม่ได้อ่ไม่ได้ตายเพราะถูกฆ่าแต่ว่าก็ตายตามอายุขัยไปส่วนอธิษฐานบารมีเนี่ยนะมูฆะปักขะชาดกที่พระองค์อธิษฐานอธิษฐานแล้วไม่เปลี่ยนใจในในะนะนะมูฆปักขะคือพระเตมีใบ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 ไม่ต้องไปทําเองเราแค่ได้ยินได้ฟังก็ยังทําใจยากฟังแล้วคนลุกเลยเรียกว่าโลมมหาสะชาดกเนี่ยนะว่าอุเบกขาบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อเด็กชาวบ้านทั้งหลายก่อให้เกิดสุขก่อให้เกิดความทุกข์เคยมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะอยเอาดอกไม้เป็นต้นไปบูชาอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปสร้างความทุกข์ด้วยการถมน้ําลายรถเป็นต้นใช้ไม้ไม้เนี่ยแย่เข้าไปในหูหรือบางพวกก็ติ๊บบางพวกก็เอาพวงมาลัยไปบูชา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 ตัสสะปุถโววิยากาสิกความว่าทรงเป็นผู้อันพระธรรมเสนาบดีนั้นทูลถามแล้วจึงพยากรแก่ท่านคือตรัสพระพุทธวงศ์ทั้งหมดเริ่มต้นตั้งแต่อภินิหารการตั้งความปรารถนาเป็นเบื้องแรกมีการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดบทว่าการวีกรัมรมะทุระคิโรเนี่ยนะเสียงผู้ใดไพเราะเหมือนเสียงของนกการเร็วผู้นั้นชื่อว่าผู้มีเสียงไพเราะ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 จะตายก็ช่างค่อยได้ฟังก่อนนะไงแม้ฝูงนกที่ล่องลอยอยู่ในอากาศก็จะเหยียบปีกร่อนถลาลมอยู่นั่นแหละหรือแม้กระทั่งฝูงปลาในน้ําก็ไม่กระดิกแผ่นหูหยุดฟังเสียงนั้นนกกระเวกมีเสียงไพเราะอย่างนี้นะ พ, พระองค์นี่มีเสียงไพเราะเหมือนกับเสียงนกกระเวกเพราะทุกคนก็อยากฟังเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ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 เสียงเนี่ยนะเสียงของพระองค์เนี่ยยังใจให้สงบเยือกเย็นได้บทว่าอาตีตพุทธานังน่ะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วก่อนหน้าอภินิหารของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราในกับเดียวกันนั้นก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์กับที่พระองค์ได้รับพยากรนะกับนั้นะเมื่อเสียสงไข่แสนกับที่แล้วเนี่ยในกับนั้นมีพระพุทธเจ้าเกิดสี่องค์คือองค์ที่หนึ่งตันหังกรองค์ที่สอง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 พ่อกำหนดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าว่าด้วยกับด้วยชาติด้วยโคตอายุต้นโพหรือการตรัสรู้สาวกสันนิบาตอุปถากมารดาบิดาเรีวพระพุทธมารดาพระพุทธบิดาหรือว่าบุตรภริยาเป็นต้นชื่อว่านิกีริตะนิกีริตะก็คือรายละเอียดเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์นั่นเองหมดว่าพุทธปรัมปราคตังเทศนาหรือจริต ที่ตั้งต้นแต่พระทศพลพระนามวธีปางกรสิบนำมาจนถึงกัสป ะ, ะพระกัสปะพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธวงศ์เนี่ยนะปุเพนิวาสานุคตายพุทธิยาความรู้ที่เป็นที่ไปตามเข้าถึงขันที่อาศัยอยู่ในปางกรกล่าวคือขันธสันดานที่อาศัยอยู่ในปางก่อันจำเนกอย่างนี้ว่า คือปุเพนิวาสานุสติยานจะระึกชาติรู้อย่างนี้ว่าหนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี 5, ช 10, 20, 100, 000, 000, 000, ช่ชาติห้าชาติสิบยี่ร้อยพันมื่นแสล้านชาติหลายๆแสนชาติตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากหรือตลอดเป็นอสงไขยกลับเป็นต้นอันนี้การที่ระลึกเรื่องราวในอดีตได้ทั้งหมดด้วยปุเพนิวาสานุสติยาน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 ผู้ใดที่ตกอยู่ในความเศร้าโศกอ่านพุทธวงศฟังพุทธวง์ตรึกพุทธวงเป็นต้นก็สา ม, มารถที่จะกําจัดความเศร้าโศกออกไปได้เนี่ยนะก็ลองดูนะั่นลองเสียใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็มาอ่านพุทธวงศดูน่าจะดับอะไรนะเลิกเรียกว่าเลิกเศร้าเลยเหมือนกนเถอเลิกโศกเลยดอกโศกก็จะเหี่ยวเฉาตายเนี่ยนะแล้วดอกโศกมันแบ่งบานเมื่อไรคนข้างๆก็โศกตามไปด้วยอย่างไร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 อธิบายว่าพุทธวังสะเทศนาเป็นเหตุให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเหล่านั้นทุกอย่างบทว่าจิตตีกัตวาคณะพุทธวง์นี้เอาตั้งเอาไว้ในจิตให้ดีเป็นอะไรเป็นพุทธานุสติไว้เป็นเบื้องหน้าฟังเพื่ออนฟังพุทธวง์เพื่อประกอบในการเจริญพุทธานุสติในส่วนของพระปุพพจริยาคุณเป็นต้นว่าพระองค์นี้สร้างบา ร, รมีอย่างไรพบพระพุทธเจ้าเหล่านั้นอย่างไรเนี่ยนะ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 สางเลยนะแต่ถ้าคนเมาสุราแล้วก็ไม่ฟังอยู่แล้วนะก็เลยไม่ได้อดไม่เมาออนะนะั่นแหละหมายความว่ากำจัดความเมาไม่ได้เพราะไม่ฟังบทว่าโศกานุทังความว่าความเร่าร้อนแห่งจิตของผู้ถูกความพินาศแห่งญาติกระทบแล้วเรียกว่าความโศความโศกก็คือเสียใจนั่นแหละเช่นโศกเพราะอะไรโศกเพราะญาติตายบัง่งเพราะทรัพย์สินเสียหายบ้างโศกเพราะพ ร, ะพราดลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักบ้าง โศกเพราะลาภเพระยศเพราะสรรเสริญอ่ะนะคือถูกดาก่าถูกอะไรเป็นต้นเนี่ยนะฮะไม่เสียหายถูกความเสียหายจากญาติจากทราบจากโภคะถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดต้นเบียดเบียนก็มีความเสียอกเสียใจความโศกเหล่านั้นนั้นทําให้จิตใจเร่าร้อนความโศกนั้นมีการเผาภายในเป็นลักษณะเขาเรียกว่าไฟเผาสวงอ่ะนะเผาใจเลยร้อนรุ่มคุ้นร้อนรุ่มเรียกว่าไฟมันร้อนมากจนน้ําตาไหลเลยแหละ มีความแห้งผากในใจเป็นรสกิจของเขาคือทำให้มันแห้งใจเลยนะอ่อนเพลียและเหี่ยใจใช้ยาลมไม่ได้หรอเพราว่าคนที่ถูกความโศกรู้จะใช้ยาอะไรมาแก้บําบัดออกไปได้มีความเศร้าส้อยเป็นเครื่องปรากฏเงาเลยนะงอนีเลยพุทธวงศ์นี้สามารถกําจัดความโศกเหล่านี้ได้นะเพราะฉะนั้นพุทธวงศ์นั้นจึงชื่อว่าบรรเทาความโศกซึ่งพุทธวงศ์อันบรรเทาความโศกสัง ส, งสาระปริโมชนัง ูที่ฟังพุทธวงสามารถที่จะทำการปลดเปลื้องจากเครื่องผูกมัดในสังสารวัตเนี่ยนะเพราะว่าพุทธวงนั้นสามารถที่จะช่วยให้ก้าวล่วงวัฏสงสารออกไปได้ดว่าเปลื้องโอฆสงสารเนี่ยนะเปลื้องสังสารวัตออกไปได้เปลื้องจากขันเปลื้องจากท่าจากอายตนะเป็นต้นนั่นเองทุกขสัพเนี่ยนะที่บอกว่าพุทธวงนั้น เป็นธรรมะเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงหรือพุทธวงศ์นั้นอ่ะเป็นคมภีที่ทําให้สิ้นจากสับพัทุกทั้งปวงเนี่ยตรงนี้คําว่าทุกข์ทั้งหลายทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะทุกข์นั้นอ่ะคืออะไรทุกขศัพท์ในพระไตรปิฎกหมายถึงทุกขเวทนาก็มีหมายถึงทุกขวตถุก็มีหมายถึงทุกขารลมก็มีหมายถึงทุกขปัจจัยก็มีทุกขฐานะเป็นต้นก็มีอันนั้นในพระไตรปิฎกนี่คําว่าทุกข์มีหลายความหมายนะเช่นทุกขเวทนาเนี่ยนะก็ใส่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 เพียงแต่ว่าอารัมพบทเนี่ยนะคำว่าแปลภาษาไทยบอกจบอารัมพบท